จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมา สร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจเพราะความสุขความเจริญทางจิตใจนี้เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงส่วนความสุขทางด้านอื่นเช่นด้า น, านการงานด้านธุรกิจด้านครอบครัว ร้อนเป็นความสุขความเจริญที่ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวจากที่มีอายุมีชีวิตอยู่พอร่างกายนี้เสื่อมไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปความสุขความเจริญต่างๆที่ได้มาย่อมหมดไป หรือกลายเป็นของผู้อื่นไปแต่ความสุขความเจริญทางจิตใจเป็นความสุขความเจริญที่ถาวรเพราะอยู่กับจิตใจที่ถาวรจิตใจไม่ตายเหมือนกับร่างกายความสุขความเจริญของจิตใจจึงไม่หมดไปตามความตายของร่างกาย นักปราชญ์ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาลานตาสาวกทั้งหลายจึงให้ความสำคัญต่อการสร้างความสุขความเจริญทางจิตใจมากกว่าการสร้างความสุขความเจริญผ่านทางร่างกายพราเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้ว จะต้องเสื่อมไปตามลำดับจะต้องแก่ลงไปจะต้องเก็บไข้ได้ป่วยและก็จะต้องตายไปในที่สุดความสุขต่างๆที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความทุกข์ใจวุ่นวายใจเพราะ ไม่เคยสร้างความสุขให้กับใจไม่รู้จักวิธีระงับดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอัลฮันตสาวกของพระพุทธเจ้า ยึงถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ก็ะจะได้พบกับผู้ที่รู้จักวิธีสร้างความสุขสร้างความเจริญที่แท้จริงพอเราได้พบแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคำสอนของผู้ฉลาดของนักปราช ของโลกที่ได้พบกับความสุขความเจริญขั้นสูงสุดแล้วแล้วจึงเอาวิธีการที่จะให้ได้เข้าถึงความสุขความเจริญที่สูงสุดนี้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้เพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาภายในจิตในใจความสุขของใจนี่เป็นความสุขที่มีพลานุภาพมากกว่าความสุขทางร่างกายความทุกข์ทางใจก็มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ทางร่างกายดังนั้น ผู้ที่ฉลาดจึงพุ่งไปที่ความสุขคือสร้างความสุขทางจิตใจและดับความทุกข์ทางจิตใจเพราะถ้าทำได้แล้วไม่ว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายจะมีมากน้อยเพียงไรจะไม่เป็นปัญหากับจิตใจของผู้ที่มีความสุขใจ และผู้ที่ได้ดับความทุกข์ใจได้แล้วเวลาที่ร่างกายมีความสุขเวลาที่เราได้พบกับสิ่งต่างๆที่ทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจมีความกังวลใจ เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้ความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายนี้จะถูกความทุกข์ใจนี้บดบังเอาไว้โกรบไปเหมือนกับ <c oughs> ไม่มีความสุขเลยในทางตรงกันข้ามถึงแม้เราจะมีความทุกข์ทางร่างกายเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความทุกข์ยากลาบาก เ, เกิดความภาวะขาดแคลนอดอยากขาดแคลนแต่ถ้าเรามีความสุขใจความสุขใจนี้ก็จะกลดความทุกข์ความวุ่นวายของร่างกายไปได้นี่แหละคือความสําคัญของจิตใจที่นักปราชญ์ทั้งหลายให้ความสําคัญ ให้การดูแลรักษาให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์วิธีการที่จะทำให้จิตใจมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้อยู่สาขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งเรียกว่าฐานขั้นที่สองเรียกว่าศีล ขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาการปฏิบัติธรรมทั้งสามขั้นนี้คือทานศีลภาวนาเป็นการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจเป็นการดับความทุกข์ให้แก่จิตใจนี่แหละถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมทั้งสามขั้นนี้ได้ อย่างสมบูรณ์ใจของเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดความทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปดังนั้นการที่พวกเรามาวัดนี้ก็มาเพื่อที่จะมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันนั่นเอง ส่วนจะทำได้มากได้น้อยก็เป็นไปตามกำลังศรัทธาเป็นไปตามกำลังของสติปัญญาความอุสาหะภาคเพียรที่จะมีมากมีน้อยถ้ามีศรัทธามากก็จะปฏิบัติได้มากถ้ามีศรัทธาน้อยก็จะปฏิบัติได้น้อย วิธีที่จะทำให้เกิดศรัทธามากขึ้นไปตามลำดับก็คือต้องหมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเมื่อเมื่อศึกษาแล้วก็ให้นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วได้ผลขึ้นมาก็จะเห็นคุณค่าของการศึกษาของการปฏิบัติ ก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะศึกษาเพิ่มมากขึ้นปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นพอได้ศึกษามากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นผลก็จะเกิดมากขึ้นไปตามลำดับจนได้ผลที่สมบูรณ์ได้ผลแบบเดียวกับที่พระพุทธเจา้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับ ก็คือได้พบกับบรมังสุขขังบรมมสุขได้ดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหรนันต์นี้ไม่มีความทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นการพัดพลาคจากบุคคลต่างๆก็ดีจากาะลาภยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพก็ดีจากร่างกายของตนเองก็ดีผู้ที่มีธรรมที่ได้รับจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาจะไม่มีความทุกข์ทรมานใจกับสิ่งต่างๆเลยเพราะใจได้รู้ความจริงได้รู้จากตนเองว่าตนเองเป็นใครกันแน่ ถ้าไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาจะไม่สามารถที่จะรู้จักตนเองได้เลยว่าตนเป็นใครกันแน่อย่างพวกเราทุกคนนี้ก็คิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเรากันทั้งนั้นแต่ความจริงนี้มันไม่ใช่ความจริงมันอยู่มันคือ เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจเราเป็นผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เนื่องจากจิตใจคือผู้คิดผู้รู้นี้ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายพอจิตใจได้มาพบกับร่างกายและได้ร่างกายไว้ครอบครอง เป็นสมบัติจิตใจก็เลยหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นจิตใจเราก็เลยไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายพอเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการดูแลรักษาร่างกายทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาความสุขต่างๆ ให้แก่ร่างกายเพราะเราคิดว่าเรากำลังสร้างความสุขให้กับเราแต่ความจริงมันแทนที่จะเป็นความสุขเรากลับต้องมาทุกข์มาวุว่นวายไปกับเรื่องของร่างกายและเรื่องของความสุขต่างๆที่เราให้หาให้กับร่างกายเพราะสิ่งต่างๆที่เรา หามาเพื่อให้ความสุขแก่ร่างกายนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นคือเป็นของที่อยู่เดียวยวอยู่ไม่นานแล้วมันก็เสื่อมหมดไปหรือมันเปลี่ยนไปความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆนั้นก็จะ จ, จ, จางหายไปและหมดไปพอหมดไปเราก็ต้อง หาใหม่หามาได้กี่ครั้งกี่รอบก็จะเป็นแบบเดียวกันหามาได้แล้วได้ความสุขเดียวเดียวแล้วเดียวความสุขนั้นก็หายไปเช่นเวลาที่เราออกไปเที่ยวข้างนอกเราก็ได้ความสุขพอเรากลับมาบ้านความสุขต่างๆเหล่านั้นก็หายไปหมดเราจึงต้องออกไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆ อยู่ไม่ติดบ้านกันเพราะเราไม่รู้จักหาความสุขทางจิตใจกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏมาเป็นที่พึ่งของสรรโลกอย่างพวกเราพวกเราก็จะวุ่นอยู่กับการหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวไปตลอดหลังจากที่ตายไปแล้ว ใจที่ยังมีความอยากหาความสุขให้กับร่างกายก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาครอบครองไปเกิดใหม่เมื่อเกิดแล้วก็ขวนขวายดิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีความสุขแต่ขณะเดียวกันก็ต้องทุกขกับการ หาสิ่งต่างๆมาเพราะการจะหาสิ่งต่างๆมาได้นี่ต้องมีเหตุมีปัจจัยเช่นต้องมีเงินทองจะเอาอะไรนี่ต้องมีเงินทองถึงจะเอามาได้อยากได้รถยนต์ก็ต้องมีเงินทองอยากจะได้ข้าวของต่างๆอยากจะได้ อะไรต่างๆมาบำรุงบำเรอให้ความสุขกับร่างกายก็ต้องมีเงินทองการที่จะมีเงินทองก็ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองต้องไปฟันฝ่าต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆกับปัญหาต่างๆเพื่อที่จะให้ได้เงินทองมาซื้อสิ่งต่างๆ มาให้ความสุขซื้อเสร็จแล้วก็ต้องซื้อใหม่อยู่เรื่อยๆพอซื้อมามากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอยังอยากซื้ออยู่นั่นยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยไปไม่มีวันสิ้นสุดและเวลาใดที่มีอุปสรรค ไม่สามารถทำงานทำการมีรายได้หรือตกงานตกการลงบริษัทที่ทำงานต้องปิดกิจการไปก็จะเดือดร้อนพอไม่มีเงินทองที่จะซื้อความสุขต่างๆก็จะมีความวุ่นวายใจมีความเครียดมีความเศร้าหมองมีความ ทุกตามมานี่เป็นเพราะว่าการหาความสุขนั้นไม่ได้เป็นการหาความสุขที่แท้จริงเป็นการหาความทุกข์ในรูปแบบของความสุขคือมีความสุขเพียงเล็กน้อยแต่ต้องมีความทุกข์เป็นการแลกเปลี่ยนต้องทุกข์กับการหา ต้องทุกกับการดูแลรักษาต้องทุกกับการสูญเสียนี่คือการหาความสุขผ่านทางร่างกายจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหาความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหาความสุขให้แก่จิตใจด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนา เราก็จะได้ความสุขแต่เราก็ต้องแลกกับความสุขนี้ด้วยความทุกข์เพราะว่าเราไม่ชอบทําทานกันเราไม่ชอบรักษาศีลกันเราไม่ชอบภาวนากันเวลาเราทําทานนี่เราจะรู้สึกทุกข์ใจไม่อยากจะทําแต่ก็อดไม่ได้เพราะ กลัวว่าถ้าไม่ทําแล้วจะไม่ได้ผลบุญจะไม่ได้ความสุขใจจึงบังคับตัวเองให้ทําทานมีเงินมีทองที่รักที่หวงก็ต้องบังคับให้มาแบ่งเอามาทําบุญบ้างความรู้สึกก็รู้สึกทุกคนบางคน ทนกับความทุกข์จิตที่จะต้องเสียเงินเสียทองไปกับการทำบุญไม่ได้ก็เลยไม่ยอมทำกันพอไม่ทำแล้วก็จะไม่มีวันที่จะได้สร้างความสุขให้แก่จิตใจไม่มีวันไม่มีโอกาสที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงที่แถววอนให้กับเราได้ ดังนั้นเวลาเราทำทานเราจึงต้องต่อสู้กับความตนันีต่อสู้กับความหวงต่อสู้กับความเสียดายอยากจะมีเงินทองมากๆไม่ใช่อยากจะมีเงินทองน้อยๆแต่ความจริงแล้วการมีเงินทองน้อยลงไปเท่าไหร่ใจกับจะมีความสุขมากขึ้นเพราะจะลด ความอยากเงินได้เงินทองให้น้อยลงไปความทุกข์นี้เกิดจากความอยากได้เงินทองมากๆเพราะว่ามีความหลงคิดว่าถ้าได้เงินทองมาแล้วจะมีความสุขมากๆแต่แทนที่จะมีความสุขมากๆกก็ต้องมีความทุกข์กับเงินทองทุกข์กับการหาเงินทอง ทุกกับการดูแลรักษาเงินทองทุกกับการสูญเสียเงินทองไปดังนั้นเราควรจะยอมทุ ก, กับการสูญเสียเงินทองเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับความสุขที่เราจะได้รับจากการทําทานเวลาเราทําทานเราได้สงเคราะห์ได้แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นพอเราได้ ทำอย่างนี้ใจของเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความอิ่มใจเกิดความพอใจขึ้นมาจะทำให้เราไม่ต้องการอยากได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นแต่กลับอยากจะทำทานเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเห็นแล้วว่าการให้นี้มีความสุขมากกว่าการได้การรับ การอยากได้นี้เป็นความทุกข์แต่การให้นี้เป็นความสุขเวลาอยากได้นี้จะรู้สึกอย่างไรบ้างจะรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นเวลาอยากจะขายที่ดินหรือขายอะไรสักแปลงนึงจะต้องคอยมากังวลอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาซื้อสักทีว่าจะขายได้ ถ้าแปลงหนึ่งนี้ก็เหนื่อยใจพอสมควรทุกใจพอสมควรแต่ถ้าเอาไปทําบุญถวายให้โรงเรียนถวายให้วัดไปความกวนกวายกระสรับกระสายจากการจะขายที่ก็ไม่มีแต่จะได้รับความสุขจากการบริจาคที่ดินเพื่อให้ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปนี่แหละคือความ แตกต่างระหว่างการให้กับการรับพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราให้บ่อยๆให้ในสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีเก็บเอาไว้ออสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ต้องเก็บเอาไวน้นี่ก็ต้องเก็บเอาไว้ไม่ได้ให้แต่ให้ส่วนเกินไปเช่นเรามีบ้านสองหลัง เราอยู่หลังเดียวก็อยู่ได้อีกหลังหนึ่งเก็บไว้ทำไมก็ให้เขาไปให้ใครก็ได้ให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนให้คนที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากลาบากลำบนนี่คือตัวอย่างของการให้และของการหวงถ้าหวงหรือของการอยากได้ใจจะไม่สบาย แต่ถ้าให้แล้วใจจะมีความสุขใจนี่คือเป้าหมายของการให้ทานก็คือให้ใจของเรามีความสุขอย่ามีของมากจนเกินไปมันจะทำให้ใจเราต้องมาพะวักพวนมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาเราจะกลายเป็นปู่โสมเฝ้าซับไปโดยไม่รู้สึกตัวแทนที่จะให้สิ่งของต่างๆ มาให้ความสุขกับเราเรากับต้องมาเป็นลอปภมาคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแทนที่จะมีความสุขกับการใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้อื่นและกับตนเองกลับมาหวงเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องมาวิตกกังวลกับการคอยดูแลรักษา แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปก็จะไปด้วยความทุกข์ทรมานใจไม่ได้ไปด้วยความสุขด้วยความสงบแต่ถ้าเรามันให้อยู่เรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยและรู้ว่าการให้นี้เป็นความสุขอย่างไรเวลาเราตายไปเราก็ให้เราก็ไปแบบ แบบผู้ให้คือเราไม่หวงของทั้งหมดที่เรามีอยู่นี้ใครจะเอาไปก็เรื่องของเขาเราไปแบบนี้เราจะไปอย่างสุขอย่างสบายใจถ้าเราไปแบบหวงดีไม่ดีเราอาจจะกลับมาเกิดเป็นตุ๊กแกในบ้านก็ได้กลับมาเกิดเป็นจิ้งจบ ก, กลับมาเกิดเป็นหนูเป็นแมวเป็นสุนัขในบ้านก็ได้ มีตัวอย่างแล้วในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งนักเงินมากหัวเงินมากโลคอยากได้เงินมากชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับการหาเงินหาทองไม่ว่าจะบาปไม่บาปก็ไม่สนใจถ้าหาโดยสุดจริตไม่ได้ก็หาโดยทุจริตได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่ให้ใคร เอาไปซ่อนเก็บเอาไว้เอาไปฝังบินไว้ไม่บอกแม้แต่ลูกๆว่าสมบัติของพ่อนี้เก็บไว้ที่ไหนบ้างพอตายไปใจที่ยังหวงยังหวงสมบัติอยู่ก็เลยกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเพราะพอดีในบ้านนั้นมีสุนัขเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วก็ตั้งท้องพอดีเศรษฐีที่ตายไปก็เลย มีโอกาสได้กลับมาเกิดใกล้อยู่ใกล้สมบัติของตนแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะตอนนั้นไม่มีใครตั้งท้องเป็นมนุษย์มีแต่สุนัข ก, ก็เลยมาเกิดอยู่ในท้องของสุนัขพอคลอดออกมาก็ต้องเป็นลูกสุนัขพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเห็นเข้าทรงมียานเห็นว่าสุนัขตัวนี้เป็นเศรษฐีเป็นพ่อของเป็น เป็นเจ้าของบ้านแต่เนื่องจากมีความหวงมีความลักในสมบัติของตนเป็นอย่างมากพอตายไปแล้วก็เลยกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองพระพุทธเจ้าจึงทรงบอกลูกๆของเศรษฐีว่าหมาตัวนี้สุนัขตัวนี้เป็นพ่อของเธอนะเขากลับมาเกิดใหม่เขาหวงสมบัติเขาหวงสมบัติ เดี๋ยวเลี้ยงเขาไว้ให้ดีเดี๋ยวเขาจะพาไปขุดสมบัติที่พ่อของเธอฝังเอาไว้แล้วก็เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้นี่แหละคือเรื่องของการรักการหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ยอมแบ่งปันไม่ยอมแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นมันจะทำให้จิตใจมีความผูกพัน เวลาตายไปแทนที่จะได้ไปสู่สุคติได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานในบ้านของตนเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้สมบัติแต่ไม่สามารถที่จะใช้สมบัตินั้นได้เป็นสุนัข ก, ก็ไม่สามารถเอาเงินเอาทองไปซื้อข้าวของต่างๆได้ก็มีแต่ ให้คนหนึ่งเ้าเลี้ยงดูเท่านั้นเองนี่แหละคือการให้ทานที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามันฝึกให้กันอยู่เรื่อยๆพอในวันสุดท้ายของชีวิตเราต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดถ้าเราเคยให้แล้วเราได้สัมผัสกับความสุขที่ได้รับจากการให้เวลาเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไป เราก็จะจากอย่างมีความสุขแต่ถ้าเราไม่เคยให้เวลาเราต้องจากสิ่งต่างๆไปเราจะจากอย่างความทุกข์ใจอย่างความเสียใจเช่นคนที่ไม่ทำทำทานเลยนี่เวลาข้าวของหายไปเพียงเล็กน้อยก็เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองเกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาแล้ว เงินหายไปเพียงร้อยบาท200บาทนี้ก็โกรธแค้นโกรธเครืองคอยจ้องจับผิดคนนู้นคนนี้วุ่นไปหมดแต่ถ้าคนที่เคยทําทานอยู่เรื่อยๆเวลาเงินทองหรืออะไรหายไปแทนที่จะมาวุ่นวายมาคอยจับผิดจับคนก็กลับคิดว่าเป็นการทําทานไปใครเอาไปก็ถือว่าเป็นการมารับทาน คนที่ให้ก็มีความสุขใจเขาเดือดร้อนเขาต้องการเงินก็ให้เขาไปเราไม่เดือดร้อนเรามีเหลือเฟือเราจะไปทุกข์กับมันทำไมนี่คือความแตกต่างระหว่างของคนที่ให้เป็นกับคนที่ให้ไม่เป็นคนที่ให้เป็นจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแต่คนที่ให้ไม่เป็นคนที่หวงคนที่ตนีนี่ จะทุกข์กับการสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปและความสุขความทุกข์นี่แหละเป็นตัวที่จะส่งจิตให้ไปสู่สุขคติหรือไปสู่ทุกขคติคืออบายถ้าตายด้วยความทุกข์ก็จะไปอบายถ้าตายอย่างสงบตายอย่างสุขก็จะไปสุขคติไปสวรรค์ชั้นต่างๆ นี่แหละคือวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างความเจริญให้แก่จิตใจอย่างแท้จริงต้องสร้างด้วยการทำทานแล้วก็พอทำทานได้ก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติท่านสูงต่อไปได้ก็คือการรักษาศีลและการภาวนาถึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความศรัทธาความเชื่อ ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนขอให้เชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราของเรานี้คือใจและใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราจะเจริญจะไปสูงไปต่ำก็อยู่ที่เราให้เป็นหรือให้ไม่เป็นถ้าเราให้ไม่เป็นเราก็จะไปต่ำถ้าเราให้เป็นเราก็จะไปสูง